พูดถึงความสงบคือสมถะพอมันสงบแล้วก็มีส่วนที่มันไม่สงบมาปะปนเข้าเช่นว่าเราเพิ่งมาฝึกจิตของเราเดือนหนึ่งสิบวันห้าวันโดยมากมันก็ยังไม่สงบถ้ามันไม่สงบนั้นไม่ต้องน้อยใจมันเป็นเรื่องธรรมดาของมันเรื่องจิตอันนี้มันจะอยู่นิ่งๆในที่ของมันไม่ได้หรอก บางทีมันมีอาการคิดอย่างโน้นคิดอย่างนี้ในขณะอยู่ในที่สงบอันนั้นแหละบางคนก็จิตไม่สงบจิตฟุ้งซ่านใจก็ไม่สบายใจเขาก็ไม่ดีเพราะว่าจิตไม่สงบอันนี้เราต้องพิจารณาด้วยปัญญาของเราเรื่องไม่สงบอันนั้นเพราะเราไม่รู้ตามความเป็นจริงของมันเท่านั้นเองถ้าเรารู้ตามความเป็นจริงของมันแล้วอันนั้นสักแต่ว่า อาการของจิตจริงๆแล้วจิตมันไม่ฟุ้งไปอย่างนั้นเช่นว่าเรารู้ความคิดแล้วว่าบัดนี้เราคิดอิจฉาคนนี้เป็นอาการของจิตแต่เป็นของไม่จริงมันไม่เป็นความจริงเรียกว่าอาการของจิตมันมีตลอดเวลาถ้าหากไม่รู้ตามความเป็นจริงของมันแล้วก็น้อยใจว่าจิตเราไม่อยู่นิ่ง จิตเราไม่สงบอันนี้เราต้องใช้การพิจารณาอีกทีหนึ่งให้มันเข้าใจเรื่องของจิตนั่นนะ่ะมันเป็นเรื่องของอาการของมันแต่ที่สำคัญคือมันรู้รู้ดีมันก็รู้รู้ชั่วมันก็รู้รู้สงบมันก็รู้รู้ไม่สงบมันก็รู้อันนี้คือตัวรู้พระพุทธเจ้าของเราท่านให้ตามรู้ตามดูจิตของเรา จิตนั้นคืออะไรจิตนั้นอยู่ที่ไหนทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่เราก็คงรู้ตัวของเราความรู้ที่มันรู้นี่มันรู้อยู่ที่ไหนจิตก็เหมือนกันจิตนี้คืออะไรมันเป็นธรรมชาติหรือเป็นสัญชาตญาณอันหนึ่งที่มันมีอยู่อย่างที่เราได้ยินอยู่เดี๋ยวนี้แหละมันมีความรู้อยู่ ความรู้นี้มันอยู่ที่ไหนในจิตนั้นมันเป็นอย่างไรทั้งความรู้ก็ดีทั้งจิตก็ดีเป็นแต่ความรู้สึกผู้ที่รู้สึกดีชั่วเป็นศักดิ์แต่ว่าความรู้สึกรู้สึกดีหรือชั่วหรือรู้สึกผิดหรือถูกคนที่รู้สึกนั่นแหละเป็นคนรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันคืออะไร มันก็ไม่คืออะไรถ้าพูดตามส่วนแล้วมันเป็นอยู่อย่างนี้ถ้ารู้สึกผิดไปก็ไปทำผิดมันรู้สึกถูกก็ไปทำถูกฉะ น, นั้นท่านจึงให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาเรื่องจิตของเรานั้นมันเป็นอาการของจิตเรื่องมันคิดมันคิดไปทั่วแต่ผู้รู้คือปัญญาของเรา ตามรู้ตามรู้อันนั้นตามเป็นจริงถ้าเราเห็นอารมณ์ตามเป็นจริงของเราแล้วมันก็เปลี่ยนไปอีกประเภทหนึ่งคือเป็นวิปัสสนากรรมฐานเช่นว่าเราได้ยินว่ารถทับคนตายเป็นต้นเราก็เฉยเฉยความรู้ชนิดนี้มันก็มี แต่มันรู้ไม่เห็นรู้ไม่จริงรู้ด้วยสัญญาคือความจำขนาดนี้มันรู้อย่างนี้ทีนี้ถ้าหากว่าเดินไปดูสิรถมันทับคนตายที่ไหนไปเห็นร่างกายคนนั้นมันเละหมดแล้วอันความรู้ครั้งที่สองนี้มันดีขึ้นเพราะมันไปเห็นเห็นอวัยวะที่ถูกรถทับมันเกิดสลดเกิดสังเวชความรู้ที่เห็นด้วยตามันมีราคายิ่งกว่าเขาว่า เมื่อเราไปเห็นทุกสิ่งอันนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่แน่ไม่นอนในร่างกายนี้ไม่เป็นแกน่นเป็นสารไม่สดไม่สวยความรู้สึกนึกคิดมันค้นในเวลานั้นมันก็เกิดปัญญาคือวิปัสสนาเป็นเหตุให้ถอนอุปาทานความยิดมั่นถือมั่นออกได้เรียกว่าความรู้สึกอันนี้มันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นต้องพิจารณาเช่นนี้ การทำกรรมฐานถ้าไม่รู้จักแล้วก็จะลำบากบางคนก็ไม่เคยทำเมื่อมาทำวันสองวันสามวันมันก็ไม่สงบมันก็เลยนึกว่าเราทำไม่ได้เราต้องคิดว่าเมื่อเราเกิดมาเคยถูกสอนหรื อ, อยังเราเคยทำความสงบหรือเปล่าเราปล่อยมานานแล้วไม่เคยฝึกเคยหัดมันมาฝึกมันชั่วระยะหนึ่งอยากให้มันสงบ อย่างนั้นเหตุมันไม่พอผลมันก็ไม่มีเป็นเรื่องของธรรมดาเป็นเรื่องอันตัวเราท่านทั้งหลายจะหลุดพ้นต้องอดทนการอดทนเป็นแม่บทของการประพฤติปฏิบัติให้เห็นกายให้เห็นใจเมื่อรู้จักธรรมะตามความเป็นจริงแล้วนั่นความที่เรายึดมั่นถือมั่นคือเกิดอุปาทานแต่ก่อนๆมันก็จะผ่อนออก เป็นตามความเป็นจริงของมันอุปาทานมั่นหมายในความดีความชั่วทั้งหลายมันจะคลายออกคลายออกเห็นว่ามันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นของไม่แน่ไม่นอนที่มันเกิดมีในจิตของเรานี้นั้นลองดูสิความรักมันแน่ไหมมันก็ไม่แน่ความเกลียดมันแน่ไหมความสุขมันแน่ไหมมันก็ไม่แน่ ความทุกข์มันแน่ไหมมันก็ไม่แน่อันไม่แน่นั้นเรียกว่าของไม่จริงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่ออันนี้มันไม่จริงของจริงมันอยู่ที่ไหนของจริงอยู่ที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นมันไม่เที่ยงอยู่อย่างนั้นเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นมันจริงแต่สักว่ามันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นอันนี้คือความจริง ความจริงอยู่ตรงที่มันไม่จริงอันความเที่ยงอยู่ตรงที่มันไม่เที่ยงเหมือนกันกับของสกปรกมันเกิดมีขึ้นความสะอาดอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงที่สกปรกนั่นแหละเอาสกปรกออกก็เห็นความสะอาดชั้นใดจิตใจของเรานี้ก็เหมือนกันฉันนั้นการประพฤติปฏิบัตินี้ บางคนปัญญามันน้อยบางคนปัญญามันมากไม่ทันกันไม่เห็นเหมือนกันอย่างเราไปพบวัตถุอันหนึ่งสองคนหรือสามคนไปพบแก้วใบหนึ่งบางคนก็เห็นว่ามันสวยบางคนจะเห็นว่ามันไม่สวยบางคนจะเห็นว่ามันโตไปบางคนจะเห็นว่ามันเล็กไปนี่ทั้งๆที่แก้วใบเดียวกันนั่นเองทำไมไม่เหมือนกัน แก้วใบนั้นมันเหมือนของมันอยู่แต่ความเห็นของเรามันไม่เหมือนกันมันเป็นเช่นนี้ฉะนั้นมันจึงไม่เหมือนกันอยู่ที่ตรงนี้การประพฤติปฏิบัติทางพุทธศาสนานี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่าให้มันช้าอย่าให้มันเร็วทำจิตใจให้พอดีการประพฤติปฏิบัตินี้ ไม่ต้องเดือดร้อนถ้ามันเดือดร้อนเราก็ต้องพิจารณาเช่นว่าเราจะปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งขึ้นมาต้นไม้ที่จะปลูกนั้นก็มีอยู่ก็ขุดหลุมก็ปลูกเอาต้นไม้มาวางลงหลุมนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราจะมูลดินจะให้ปุ๋ยจะให้น้ำจะรักษาแมลงต่างๆก็เป็นเรื่องของเราเป็นหน้าที่ของเรา คนจะทำสวนต้องทำอย่างนี้ทีนี้เรื่องต้นไม้มันจะโตเร็วโตวช้าของมันนั่นนะ่ะมันไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องของต้นไม้ถ้าเราไม่รู้จักหน้าที่การงานของตัวแล้วมันก็ไปทำงานหน้าที่ของต้นไม้มันก็ทุกไม่ทำงานหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราก็ให้ปุ๋ยมันไปให้น้ามันไปรักษ า, มาแมลงไปเท่านี้ ส่วนต้นไม้จะโตเร็วโตวช้าเป็นเรื่องของต้นไม้ถ้าเรารู้จักหน้าที่การงานของเราเช่นนี้ภาวนาคือการฝึกจิตก็สบายถ้าเราคิดเช่นนี้การปฏิบัติของเราก็สบายง่ายสะดวกไม่ดิ้นรนกระวนกระวาย